ต่อมาจากสมัยพระโกนธัญญะพุทธเจ้าตอนนั้นต่อนานแค่ไหนบอกว่าต่อหนึ่งอสงไขยเลยเนีเพราะว่าระหว่างอาสงไขยที่หนึ่งก็นะพอพุทธเจ้าทีปังกรปรินิพานก็มีหนึ่งอสงไขยจึงมีพุทธเจ้าโกนธัญญาแล้วก็หายรับไ ป, ไปอีกหายวับไปอีกหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้ามังคละก็แสดงว่าอาสงไขยที่สนะก็นับไปแล้วว่าถ้าจากพระพุทธเจ้ามังคละมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย พระ อ, องค์ก็จะพยากรณ์ว่าสองอสงไขยเศษอีกแสนกับเล่าว่าต่อมาจากสมัยพระโกนธัญญะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละผู้นำโลกทรงกําจัดความมืดในโลกทรงชูประทีป ธ, ธรรมรัศมีของพระองค์ไม่มีใครเทียบยิ่งกว่าพระชินเจ้าพระองค์อื่นๆข่มรัศมีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทำหมื่นโลกธาตุให้สว่างจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศสัจจะสี่อันประเสริฐสูงสุดสัตว์นั้นนั้นก็ดื่มรสสัจจะบรรเทาความมืดใหญ่หลวงนะบรรเทาความมืดใหญ่ลงได้การที่ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันหาที่เปรียบเทียบไม่ได้แล้วทรงแสดงธรรมครั้งแรกทามาพิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตว์แสนโกฏ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดในพบของเท้าส ก, กะเทวราชจอมเทพครั้งนั้นธรรมมาพิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่เทวดาแสนโกรธครั้งพระเจ้าสุนันทจักพัทติราชเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสัมพุทธเจ้าก็ทรงลั่นพระธรรมเพรีอันประเสริฐสูงสุดนะ น, นะเรียกว่าลั่นกลองคือการประกาศอริยสัจนั่นเองครั้งนั้นขาราชบริพานตามเสด็จพระเจ้าสุนันทาจักพัทติราช มีจํานวน90โกดชนเหล่านั้นก็ได้เป็นผู้บวช ด, ด้วยเอหิภิคุอุปสมปทาทั้งหมดไม่เหลือเลยสมัยพระมงคลพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชุมสาวกสามครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นการประชุมสาวกแสนโกดครั้งที่สองก็เป็นการประชุมสาวกแสนโกดครั้งที่สเป็นการประชุมสาวก90บโกดครั้งนั้น เป็นการประชุมสาวกผู้เป็นพระขี่นาศพผู้ไร้มนทินสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุรุจิเนี่ยนะเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศเข้าไปเฝ้าถึงพระศาสดาว่าเป็นสารณะนะก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะคมบูชาพระสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหรือเป็นประมุกด้วยของหอมและดอกไม้ ครั้นบูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้วก็เลี้ยงให้อิ่มน้ำสำราญด้วยขวะปานะขนมแป้งผสมน้ำนมโคนะคระวะขนมที่ทำจากแป้งแต่ผสมด้วยนมโคเนี่ยนะพระมังคละพุทธเจ้าผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองท้าพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่นับไม่ได้นับแต่กับนี้ไปก็แปลว่าอีกสองอสงไขยเศษอีกแสนกับจะได้เป็น พระพุทธเจ้าพระตถาคตเสด็จออกพิเนศกรมจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมทรงตั้งความเพียรรมทุกรกิริยาหปีใช่ไหมพระตถาคตทรงประทับนักโคนต้นอาชาปาละนิโครดทรงรับข้าวมะทุ ป, ปายาตเสด็จเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระก็มีผู้พยากรเบ็ดเสร็จและอนาคตท่านจะเป็นอย่ังงั้นอยางงั้น ถ้าพวกเราเนี่ยนะจะให้คนถ้าอยากมีให้ใครพยากรณ์เราเนี่ยจะให้เขาพยากรณ์เราว่าอย่างไรนะต้องการในะสมมุติว่าเออถ้าจะให้คนอื่นเขาไหนไหนก็แหมเราอยากรู้เลือะเกินว่าเราเนี่ยในอานาคตหมายว่าอยากให้คนอื่นเขาพยากรณเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าอยากให้พระองค์พยากรณ์เราว่าอย่างไรนะแล้วก็มันมันให้มันสมราคาหน่อยนะให้มันสมเหตุสมผลเนี่ยประเมินราคาตามเป็นจริงนะว่าข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไรนะ ก็ถามใจเอาตัวเองแล้วกันถ้าจะมีผู้พยากรเราเนี่ยควรจะพยากรว่ายังไงได้ดดได้ดีสมควรกก่เหตุแก่ผล น, น่ยนะคุยด้วยใจตัวเองเนี่แหละาบอกว่าเป็นวิชาเดียวที่ว่าคุยกับใจตัวเองเอากันแล้วกันว่าจะเอาแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะมาก็เป็นคนแต่อ่านให้ฟังกลับมาที่พระพุทธเจ้ามังคละพ ย, พยากรพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ว่า พระชินเจ้าคือพระสมณะโคโดมพระองค์นั้นเสวยข้าวมะทุปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเสร็จแล้วเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดตกแต่งเอาไว้ที่โคนโรพพฤกแต่นั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทาประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรูณโคนต้นโรพพฤกชื่อวอสสธต้นโพใบ Hmm. ท่านผู้นี้จะมีพระชนนีพระนามว่ามายาจกมีพระชนกพระนามว่าสุทโธทนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะจกมีคู่อัครสาวกชื่อว่าพระโกริตะและพระอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพุทธอุปถากชื่อว่าอนันทะจากบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้จกมีคู่อัครสาวิกาชื่อว่าเขพระเขมาและพระอุบลวนา ผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นต้นโรพพฤกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอสัตพฤกจกมีอักขระอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถะละวกะจกมีอักขระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคดมพุทธเจ้าผู้มีพระยศะนะผู้มียศพระองค์นั้นจกมีพระชนมาายุประมาณร้อยปี พยากรณ์ตอนที่สมัยคนมีอายุแสนปีบอกว่าร้อยปีเนี่ยแม่มันลดลดเท่าไหร่เนี่ยลดกี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> ลดมากนะนะสมัยแสนปีมาพยากรณ์จากเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยร้อยปีเนี่ยนะแม่ถ้าเราในี่ใจตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสดับพระดํารัสของพระมงคลพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเพราะคือพระองค์เนี่ยไม่มีใครไปเสมอกับพระองค์หรอก ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี้แล้วก็พากันปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นพุทธทางกูลหนอกระอังกุระอันเดียวกันแปลว่าหนอท่านผู้นี้เป็นพุทธทางกูลหนอหนอที่จะปลูกเพาะงอกงามเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเราต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินคือการสร้างบารมีต่อไปหมื่นโล ก, กาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็ส่งเสียงโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชิญนำ้ำมศการกล่าวว่า ถ้าว่าพวกเราพลาดคําสั่งสอนของพระโลกกนธาพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้คนที่คิดอย่างนี้นะโดยมากมาตรัสรู้สมัยพุทธกาลกันไม่ใช่น้อยเลยตรัสรู้เยอะมากดูจากอภิธานเนี่ยนะที่กล่าวไว้ว่าพวกที่บอกว่าถ้าพลาดจากพระพุทธเจ้าองค์นี้ขอบรรลุพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยนะพวกนี้ก็คอยมาจนได้ตรัสรู้กับพระพุทธเจ้าของเราจริงๆนั้นแหละตรัสรู้มากตรัสรู้เยอะด้วย เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำถ้าพลาดท่าน้ำเฉพาะหน้าก็ถือเอาท่าน้ำทางหลังหรือข้างหลังเนี่ยนะข้ามมหานาทีฉันใดพวกเราทั้งหมดท่าว่าจะละพ้นคือไม่มีโอกาสตรัสรู้ในพระชินเจ้าพระองค์นี้ไซในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แล้วตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกัน เราฟังพระดํำรัสของพระมังคละพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใสามากขึ้นเลื่อมใสามากเลยนะอธิษฐานวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นบําเพ็ญบารมีสิบให้เต็มบริบูรณ์ไม่ใช่ได้รับพุทธภยากร น, นะกลับบ้านไปนอนก่อนเดียวก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะั้นนอนรอเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น น, นะกลับไปภาเพียนสร้างบารมีให้หนักกระก่าอนนะนะบอกยัยงไงโยมก็ได้บรรลุก็เลยอุ่นใจกลับไปนอนบ้านอยู่เฉยๆเลย ไ, ได้บรรลุแน่นอนนะ ครั้งนั้นเราเพิ่มพูนปีติเพื่อบรรลุพระสัมโพธิยานอันประเสริฐก็เลยถวายเคหะสมบัติของเราแด่พระมงคลพุทธเจ้าแล้วก็บวชในสำนักของพระองค์ชาตินี้ก็เอาจริงเหมือนกันนะสละบ้านสละทรัพย์หมดเลยเป็นพุทธบูชาหมดเลยเล่าเล่าเรียนพระสูตรพระวินัยและนาวงสังคศัตรุศาสตร์ได้หมดอย่างพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามท่านทรงพระตาวิดกสองพุทธเจ้าแล้วนะ เราเมื่ออยู่ในศาสนาพระศาสนานั้นไม่ประมาทเจริญพรหมวิหารภาวนาถึงฝั่งแห่งอภินญาห้าก็ไปพรหมโลกแสดงว่ามีปกติอยู่ด้วยพรหมวิหารแล้วก็ทํากสินสมาบัติได้อภิญญาห้าสมาบัติ8อีกต่างหากพูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเพิ่มเติมว่าพระมังคละพุทธเจ้านั้นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระนครชื่อว่าอุตระอุตระแปลว่าเมืองเหนือนะ มีพระชนกคือพุทธบิดานามว่าพระเจ้าอุตระพระชนนีพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอุตราไป็ชาวเหนือหมดเลยนะพระองค์ทรงครองคารวาสวิสัยอยู่เก้าพันปีทรงมีปราสาทยอดเยี่ยมสามหลังชื่อว่ายศวาสุจิมาสิริมาทรงมีพระสนมนารีประมาณสามหมื่นท้วนมีพระอัครเมีพระนามว่ายศวดีพระโอรสพระนามว่าศิวลี พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีสเสด็จออกอภิเนิษฐ์สกลด้วยยานคือมา้าเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเลยนะพรุทธเจ้าของเราสเสด็จด้วยยานมา้ากันตกะทรงบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเท่าไหร่10เดือนนะพระพุทธเจ้าองค์นี้8เดือนพระมหาวีระมังคละพุทธเจ้าผู้นำโลกผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าผู้สงบอันพรมทูลอาราธนาแล้วก็ทรง ป, ประกาศถ้าธรรมจักเรเสด็จจาริกไป พระมงคลพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอักระสาวกชื่อว่าสุเทว ะ, ะพระธรรมเส น, ะ น, นมีพุทธอุปถาคชื่อว่าพระปาลิตะทรงมีพระอักระสาวิกาชื่อว่าศีละวาและพระอโศกไม่โศกะนะโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นนาคหรือต้นกากระทิง ทรงมีพระอักระอุปถากชื่อว่านันทะและวิสาขะมีอักระอุปถายิกาชื่อว่าอนุลาและสุมนาพระมหามุนีสูง88ศอกพระรสมีหลายแสนเล่นออกจากพระสรีระนั้นสมัยนั้นทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปีพระองค์ทรงพระชนอยู่ถึงเพียงนั้นก็ทรงยังชนหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นโอขฆสงสาร คลื่นทั้งหลายในมหาสมุทรใครๆก็ไม่อาจนับได้นะใครๆก็ไม่อาจจะนับคลื่นเหล่านั้นได้ฉันใดสาวกทั้งหลายของพระมังคลาพุทธเจ้าพระองค์นั้นใครๆก็ไม่อาจจะนับสาวกเหล่านั้นได้ฉันนั้นอันนี้อุปมาที่ที่ถือว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเลยนะว่าใครจะนับคลื่นในทะเลได้หมดว่ามีกี่คลื่น นะยากนะถ้าทั่วทั้งโลกในคลื่นไม่ใช่น้อ ย, อยเลยนะชั้นใดสาวกของพระพุทธเจ้าก็มากมายชั้นนั้นพระมังคละสัมพุทธเจ้าผู้นำโลกยังดำรงอยู่ตราบใดาศาสนาของพระองค์ก็ไม่มีการตายของสาวกผู้ยังมีกิเลสตราบนั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นะบอกว่าสาวกของพระองค์แบบตายแบบโซดาบันสกทาคามียนาคามีนี่แทบไม่ได้ยินเลยว่างั้นเถอะ ไม่ได้ยินเลยนะเพราะมีแต่พาดหันเท่านั้นแหละที่ปริณิพันธ์เพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีปกติไม่ชื่นชมภพเนี่ยนะก็มีอย่างคล้ายๆกับสมัยพุทธกาลมีพระเทเรรูปหนึ่งท่านเป็นพระอนาคามีท่านก็ควนขวายน้อยแล้วโอ้ยอุ่นใจแล้วเราเป็นพระอนาคามีแล้วโน่นปริณิพันธ์ในพรหมโลกพขคิดอย่างนี้จบพุทธเจ้าเสด็จมาเลย น, นะก็แสดงธรรมนะว่าอย่าพอใจยอยู่แค่นี้เนี่ยนะเสร็จแล้วก็ก็มีการเปรียบเทียบ ว, ว่าภพทั้งหลายก็เช่นกับอุจจาระนั่นและ แล้วก็พระภิโสรูปนั้นฟังธรรมก็ภาคเพียรพยายามบรรลุเป็นพระอระหันต์มันก็เรียกว่าไม่มีการตายแบบผู้ที่ยังมีสังโยชน์ัน้นถ้ายังมีใจเกาะเกี่ยวไม่สมควรตายาั้นนพระผู้มียศใหญ่พระองค์นั้นทรงชูประทีปธรรมประทีปคือแสงสว่างคือปัญญาเนี่ยหนะรือโพธิปัจขิยธรรมยังมหาชนให้ข้ามโอเะสงสารรุ่งเรืองแล้วก็เสด็จดับขันปรินิพานเหมือนดวงไฟใหญ่ ทรงแสดงความที่สังขารทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกสังขาร น, นี่เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมนะนิสตตะนิชีวสุญญะอันว่างจากความเที่ยงความสุขยั่งยืนว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยอันสังขารธรรมดำรงอยู่ด้วยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นพระองค์ก็บอกว่าสังขารมันก็เป็นเช่นนี้แล ก็หมายว่ารุ่งเรืองแล้วก็เสด็จดับขันธะปรินิพานเหมือนกองไฟใหญ่ประดุดดวงอาทิตย์อัสดงคตเนี่ยนะนั้นเวลายามพลบคล่ำเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานเหมือนฉันนั้นพระมังคละพุทธเจ้าปรินิพาน์ณอุทยานชื่อว่าเวสระชินสถูกของพระองค์ณอุทยา น, นั้นสูงสามสิยนะเจดีย์สูง30โยชนะ ก็ถือว่าใหญ่มากนะก็เหมือนว่ามองเห็นภูเขาลูกหนึ่งนะภูเขาลูกใหญ่ๆเลยนั่นแหละส่วนรายละเอียดในอัตถกถาก็ขอพักสักครู่ก่อนนะเจ้าะ